สิกขาบทวิพัง534ที่ชื่อว่าผ้ารองนั่งพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงผ้ารองนั่งที่มีชายคําว่าผู้จะทําคือภิกษุทําเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทําให้ต้องให้ทําให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคื อ, อยาวสองคืบกว้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งโดยคืบสุคตภิกษุทําเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทําเกินขนาดนั้นต้องอบัติทุกกดเพราะธทม ต้องอาบัตประจิตตีเพราะได้มาต้องตัดเสียก่อนแล้วแสดงอาบัต